คุณผู้ฟังพระเจอผีทุกท่านค่ะวันนี้บีมีเรื่องราวตื่นเต้นสยองขวัญมาฝากคุณผู้ฟังค่ะชื่อเรื่องอาจจะเหมือนชื่อเพลงไปสักนิดนึงห่อหมกฮวกไปฝากป้าเนื่องจากว่าผู้ที่เล่าเรื่องนี้เนี่ยบอกเล่าเป็นภาษาอีสานก็เลยจะขอเล่าเป็นภาษาถิ่นให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังก็แล้วกันนะคะเรื่องนี้นะคะคุณผู้ฟังเจ้าของเรื่องเนี่ยเขาชื่อแทนไทยก็เลยเรียกสั้นๆว่าบักแทนก็แล้วกันนะคะ บักแทนเนี่ยเป็นน้องชายของคนที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังอีกทอดหนึ่งซึ่งไปปฏิบัติธรรมกันอยู่ที่วัดพอไปถึงหน้าวัดแล้วเกิดหิวข้าวค่ะก็เลยเห็นรถขายลูกชิ้นปิ้งอยู่หน้าวัดก็เลยพากันเดินไปซื้อพอดีนะคะว่าคนขายเขาก็ร้องเพลงฮอหมกห่วกไปฝากป้าพอดีแทนก็เลยหันมาบอกบอกว่าไอ้ครับผมฟังเพลงนี่้วคิดฮอดคิดฮอดบ้านติม อ, บ, อบ่ครับคิดฮอดตอนผมเจอผีย่อนฮอร์มกหวกนี่ละ่ะเอออิลีบอฮัม บอกซูฟังเนี่ยเอาครับเดี๋ยวผมบอกซูฟังเรื่องราวค่ะคุณผู้ฟังก็มีอยู่ว่าเมื่อประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยแทนเนี่ยเป็นหนุ่มสกล น, นครอายุได้19ปีเพิ่งจะเรียนจบมหเป็นลูกชายคนเดียวของบ้านด้วยแล้วก็มีน้องสาวอายุสิปีคนหนึ่งก็ด้วยฐานะยากจนก็เลยไม่ได้เรียนต่อพอดีมีพี่ที่รู้จักกันอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละมาชวนไปทํางานในกรุงเทพก็เห็นว่าเออได้เงินเยอะก็เลยตกลงไปกับเขาก็เลยบอกพ่อ บอกแม่กับน้องสาวว่าจะส่งเงินมาให้ใช้เออถ้าถึงฤ ด, ดูการทำนาก็จ้างเขาเอาพอเข้ามากรุงเทพค่ะก็ทำงานอย่างสุดสุดฝีมือเลยด้วยความขยันขันแข็งแล้วก็การสื่อสารก็แต่ก่อนเนาะมีเพียงจดหมายส่งส่งหากันแทนส่งจดหมายมาตลอดจนช่วงหนึ่งไม่ได้ส่งจดหมายมาทางบ้านก็เพราะว่ายุ่งกับงานเยอะแยะมากมายผ่านไป2ปีที่ไม่ได้กลับบ้านค่ะ ไอคนที่ชวนแทนมาด้วยเนี่ยก็ออกรถกระดะแล้วก็คุยกับแทนนะคะบอกว่าลังส่งการหนิสิเมื่อบั้นกับไอบอส ล, ละฮัมแทนดีใจมากค่ะลางานได้ก็ซื้อของฝากไปหลายอย่างเลยพอถึงวันเดินทางก็พากันกลับตอนกลางคืนเนาะเพราะว่าตอนกลางวันมันร้อนก็ว่าจะอ่ากว่าจะถึงบ้านเนี่ยก็เกือบเช้าไปถึงเวลาหกโมงเช้าพอดีพอดีเลยนะคะที่ทางเข้าหมู่บ้านแทนเนี่ย เขาก็เดินสูดอากาศท้องไร่ท้องนาที่จากกันไปอุนานแสนนาน2ปีคิดถึงค่ะนานๆได้กลับมาบ้านทีก็ต้องผ่านบ้านปออีคนรู้จักกันอยู่กับลูกสาวคนเดียวค่ะที่ชื่อว่าอ้อมแทนก็เดินมาเรื่อยๆนะคะทีนี้เนี่ยพอผ่านบ้านป้าแกก็เห็นแทนเดินมาป้าแกก็เลยทักบอกอา้ากลับมาแล้วบอเบล่าแทนก็เลยยกมือไหว้ก็เลยบอกว่าอยูุบันแทนพอแม่เข้าไปในเมืองตะกีแล้วนะทับทีมน้องสาวบอสเซบาย แทนก็เลยบอกป้าไปบอกว่าเอา้าเพื่อนไปแต่ย่ามใดป้าเรื่งหันในผมยางกายมากคือจังบอกว่าใ้เห็นผู้ใดขี่รถไปเลยเออเพื่อนหนาสิไปแต่ตีสี่ตีหาเพื่นละคือถึงโบท่านกันป้าอ้อยบอกเลยค่ะแล้วน้องอ้อมก็เลยเดินออกมาถามบอกอแม่จะบอกกับไผเอา้าไอ้แทนไทยข่อยก็คิดว่าไดสาวยุ่งเทพมาเป็นเมียแล้วไปยุงเทพบักดนบักดีโบเห็นกลับไม่ยามบ้านจักเทือเลยแทนไทยก็เลยยิ้มให้ค่ะแล้วก็บอกว่า อ้ยไอยเหตแตงงานครับอ้อมสาวกรุงเทพแตงหนาครับสู่ผู้สาวบ้านห้าวไดดอกป้าอ้อยก็เลยพูดหยอกๆ ก, กันบอกซูน้นี่ว่ายกกันดีเถอะนอต่หน่อยเป็นแนวดายแย่ขึ้นมากกับเป็นแนวนั้นแล้วแทนนี้ก็เลยหวัวเราะแล้วก็เลยขอตัวเดินทางกลับไปบ้านก่อนนะคะพอไปถึงก็มีข้าวเหนียวกับปลาแห้งปิ้งอยู่ค่ะกินแล้วก็นอนหลับตื่นมาบ่ายมัวงอากาศดีดมองไปเห็นใสเห็นค้อง ใส่ที่ดักปลาคลองที่ใส่ปลาแล้วก็สวิงเนี่ยก็เลยคิดในใจบอกเออข้ามไปทุ่งนาดีกว่าไปหาแนวอยากแนวกินรอพ่อรอแม่ก่อนได้ประคอมาหลายเติบเมือวันสิเป็นประคอไปเข้งหอยจูบหอยเข้มอัพซ้อนหอยเชอรี่นะคะบอนามหน่อยมีหัวกล้ายหลายเด่วมาเป็นุู่ยางกลับมากก็ดีใจลหลายแล้วเพลนเออยิ้มอ่อยต่อยมานาทางก้อนสิเข่าบานเพนกันแนมไปทางใกล้ๆเนาะ มันก็เห็นอีกบานหลังหนึ่งของปะพอนปะพอเนี่ยสิเป็นป่าแถ่ของแท่นเนะาะแท่นกันเลยว่ะสิไปยามเพิ่งจักหน่อยแต่ว่าแน่ไปเลยเอ๊ะแล้วกระลังเข็นหลดหยังไปทางทงหน้าหรือว่าแล้วสิไปเกี้ยวหยาให้ง่วบ่คิดว่านะก็เลยเขาไปพักอยู่ในอยู่ในไตไตตารางเฮือนสักคราวหนึ่งนั่งอยู่ไตแต่แข่หล่ะก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวต้มปลาคอกับหมวกหวกซะก่อนเดี๋ยวจะเอาไปฝากปะพอนกับอ่อยนำ้ำ เหตุกับเขาวุ่วนวอนอยู่ผู้เดียวระบานนีนสมบปีตีแหลกแล้วประมานหามงลแงก็เลยถือห่อมุกห่วกเนี่ออกไปสองหอ่อยางไปบ้านป้าอ้อยก็ไปเอื่นหาเพลนก็ บ, บอกว่าป้าอ้อยป้าอ้อยผมเอามงห่วกมาหา้ป้าอ้อยเพลนเด็กินเพ่ลก็เลยยางออกมาเอายางออกมาเอามงหวกทัง้งยางมาทังยิมใส่พอมป้าม่านซีนะแล้วก็ดีใจลายก็เลยบอกแท่นว่าโอ้ให้กำลังอยากกินพอดีเลยไหมแท่นก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมไปหาป้าพรอก่อนครับยังบอคเนไ่ไปไหวเพลนยู ป้าอ้อยก็เลยยิ้มหลักัญญางเข่าบ้านไปพ่อไปหอดบ้านป้าพ่อนก็นเอิญหาคือเกาบอกป้าพ่อนป้าพ่อนครับผมบักแทน่นนะครับป้าพ่อนหัวกสิหอดบ้านมือนี้เอามุกหวกมาหายครับกำลั ง, งหอนหอนเลยไม่ป้าไม่มีเสียงตอบรับค่ะฟ้าก็กำลังจะมืดค่าเลยแทนมองไปก็เห็นรถซุกหรือว่ารถเข็นเนี่ยทางบ้านบ้านของบีเองเขาบอกว่าล้อนะคะเรียกล้อมีหญ้าอยู่เต็มไปหมดเลย น่าจะมาเรียบร้อยแล้วหรอมั้งเพราะว่ารถก็ยังวางอยู่ตรงนี้ย่าก็เต็มอยู่ตรงนี้ก็เลยบอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวผมเอาห้อยเอาห้อยไว้รั้วนะป้านะพอดีกําลังจะหันหลังกลับเสียงป้าพรก็เลยเรียกนะคะบอกแท่นแท่นบอกบอกลาเม <ME> ื่อบ้านเลบบอโอ้ย oh, คินฮอดไล่ก็เลยเดินออกมากอดจับดูตัวของแทนนี่แหละนะคะก็เพราะว่าเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยแทนบอกว่าตัวป้าเนี่ยมันมันเป็นน้นร้อนนะีคือป้าตัวร้อนมาก ป้าก็เลยบอกว่าไม่ค่อยสบายเดี๋ยวก็ดีขึ้นแทนก็เลยถามบอกเอาลุงเลิศไปไหนไปซื้อปุ๋ยเออแป้งแต่เที่ยงละเดี๋ยวจักน้อยกัคือสีมาละล่ะแทนก็เลยเดินกลับมาบ้านค่ะมานั่งลงแต่แค่นั่งเด็ดข้าวเดียวพอแม่กับน้องสาวเพิ่นก็เลยแวะม่าพอดีดีใจแบบย่างค่ะกันเนาะสองปีบอดีพอกันกับน้องบอดีพอกันกับพ่อกับแม่และที่นี่เนี่ยเพิ่นก็เลยไปหาข่าวหาป่ามาสูกลินพอก็เลยได้เหล่าโทษมาขวดนึงเพิ่นก็เลยถามว่าแทน มึงกลับมาตะกรุงเทพนี่มึงมาหอนบ้านแล้วนี่มึงเด็ไปสาจากเทียบอนี่หรือว่านอนอยู่บ้านแทนก็เลยตอบว่าบอครัคบไปหาป้าพ่อนแล้วกะเอาหมวกหัวไปให้เหล้าตะกีว่าสิไปแต่บ่ายแล้วเพิ่์นเอารถไปอยู่หย่าอยู่แม่ก็เลยพูดว่าป้าพ่อ น, น่ะเอารถสุกไปเกี้ยวหย่าเพิร์นบอสั่มบา่ายไร้มือแล้วเดว้พอกับแม่ไปเหยี่ยมเพิรนมาแต่หมื่บ้านนี่ยังบอคขั้นเด็ลูกขึ้นเลยแทนก็เลยตกใจแปลกใจค่ะ แจ็คจีบว่ า, วางไดรนะ่เนงะึดไปนะงึดภาษาอีสานภาษาไทยน่าจะแบบแปลกใจประมาณนี้แหละนะคะก็เลยบอกว่าอ๋อน้องหันผมยังบอวนําเล่าอยู่อีลีเด้พูดจบก็มีมอไซค์ขี่มาจอดหน้าแคร่ค่ะเป็นลุงเลิศผัวป้าพรผัวป้พรมากับถุงปุ๋ยอีก 3- าสถุงแทนก็เลยถามป้าพรบอกอ๋อแทนก็เลยถามว่าป้าพร น, นี่ป่วยไม่สบายใช่ไหมแม่ก็เลยบอกอ๋อแม่บอกว่าลุกไม่ขึ้นแต่เมื่อกี้เนี่ยผมไปที่บ้านมาเนี่ย ยึ่งยังเอาห่อหมกเนี่ยไปให้อยู่เลยลุงเลิศก็เลยยิ้มบอกว่าเอออาการดีขึ้นแ ล, ล้วล่ะกินยาไปเมื่อคืนลุกได้ตั้งแต่เช้าแล้วและแทนก็เลยบอกว่านอกจากป้าพรแล้วเนี่ยยังเอาไปให้ป้าอ้อยกับน้องอ้อมอีกด้วยทั้งสามคนหันหน้ามองกันแบบขวับเลยนะคะพ่อก็เลยบอกมึงเบาหมัดู้เปล่าแทนผมว่าผมเอาหมกห่วกไปแห่ป้าอ้อยครับเบาจบแล้วลุงเลิศสตาร์ทรถบิดไปอาจหลาดเลยไม่สนใจเลยนะคะ แทนเอ้ยป้าอ้อยกับ อ, อีน้องอ่อมน่ะลูกสาวเพื่อนตายไปสองเดือนแล้วเด้มึงเห็นอีหลีบ่เ น, นั่นหรือมึงตัวกูพอว่าไอ้ยังอันคันแล้ตายเลยแล้วเป็นยังคือตายแล้วคื อ, อยางโยงโยงอยู่มื่อก่นน้ำผมอยู่มื่อเส้านี่ป้าอ้อยไปสอนหวกว่าสิมโมกอยู่บอยน้ํานี่ละไปกับลูกสาวเพื่อนไปกับน้องอ่อมกับบุหูคือกันว่าสอนไปสอนมาสอนยีทาด้กับบุหูโต๊ะลงไปในบอยนา้าลูกสาวกับวายน้ําเป็นบ่เป็นเนาะลูกสาวเห็นก็เลยสีแรนไปซอย บะเทอนี่นะคิดว่าสีมืนขี้ดินก็นเลยข้อไปฟาดกับไม่ยุท่านา้มเนี่ข้อหักตายทั้งแม่ทั้งลูกเลยส่วนคนเสร็จมาเห็นนี่โอ้โสบขื่นอืดอ้างลางอยู่ว่ามันเป็ดเมื่อแทนได้ยินได้ฟังที่พ่อเล่าให้ฟังแบบนั้นเนี่ยก็ถึงกับหน้าเสียเลยนะคะบอกว่าผมไม่อยากเชื่อเลยไม่รู้ว่าที่คุยกันไปเนี่ยคือคุยกับผีหลังจากกินข้าวเรียบร้อยแล้วแทนก็เลยเอาพินออกมาดีดเล่นกินเหล้าสาโทไปด้วย เมาเผลอหลับนะคะก็รู้สึกตัวอีกทีนึงคือได้ยินเสียงรองเท้าแตะเนี่ยเดินมานะคะทีนี้แทนก็เลยรู้สึกตัวค่ะก็เลยแงนหน้าขึ้นไปดูอ้าวปรากฏว่าเป็นอ้อมอ้อมมานั่งอยู่ข้างๆแทนก็เลยถามอ้อมบอกอ้อมมีอะไรดึกๆอ้อมก็เลยกล้มหน้าก้มตานะคะแล้วก็มีน้ําหยดออกมาจากหน้าของน้องอ้อมแล้วก็พูดว่าคือสิเขี้ยวค่ะเนอไอ้มกหัวข่อยกับแม่ยังบอกนในกินเลยกาลังจะถามว่า ทำไมไม่กินก็เลยนึกขึ้นได้ค่ะว่านางเนี่ยตายไปแล้วเรียบร้อยสเสดรดค่ ะ, สะเสดรดถอยหลังไปติดเสาเฮือนเลยอ้อมบอกว่าเอาหมุงหัวไปใส่บาดในเด้อไอ่อย่า ก, กินหลายคักพูดจบแล้วก็หันหลังเดินกลับมีน้ำไหลออกมาจากตัวตลอดพอจะออกจากบ้านหัวนางก็พับลงมาข้างหลังค่ะแล้วก็พูดว่าอย่าลืมเนข่อยบอกเด้อไอ้แทน่นเอาไปใส่บาดให้กินในเด้อแล้วก็เดินไปข้างบ้าน ไปทางบ้านของของอ้อมของอ้อมเองเนี่ยแทนสลบเลยค่ะตื่นมาฟ้าแจ้งจาง่างปางพ่อแม่ปลุกถามบอกอ้อมทำไมมานอนอยู่ที่พื้นมันก็เลยบอกเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังก็เลยพากันเอาห่อหมกหวกนี่แหละแล้วก็ต้มปลาคอไปใส่บาดให้นะคะทั้ง2กินก็คือแม่กับลูกกลับมาจากวัด แทนก็เลยไม่ออกจากบ้านเลยจนถึงวันที่จะต้องกลับกรุงเทพแต่ก็ฝันว่าป้าอ้อยกับน้องอ้อมมาขอบคุณที่ใส่หมกหวกไปให้เออเพื่อนได้กินแล้วเพนะหลังจากมือนั่นมากย่ามได้พอมกหัว ก, กับสิกินหอดตะเหลืองนี่สุเเือะมีเรื่องเล่าท่นนีเด้อครับ เพื่นว่าขอบคุณคุณหันใจสิงด้วยกับกลุ่มเรื่องสยองข อ, องของคนเห็นผีนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะกับเรื่องนี้อ่าจจะตะกุกตะกักไปบ้างนะคะคุณผู้ฟังแต่บีเชื่อว่าถ้าเป็นคนภาษาอีสานคนท้องถิ่นอีสานเนี่ยน่าจะฟังดูเรื่องแต่บีก็เองก็พยายามแปลเป็นภาษาไทยกลางให้กับหลายๆท่านได้ฟังกันอยู่เนาะเพราะว่าคําที่บีเล่าเนี่ยบางคำนะคะก็เป็นภาษาอีสานตะปุดตะปู้กันเลยทีเดียว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 เพียงแต่อมยิ้มแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาขับรถต่อไปเพราะว่าต้องรีบเอาสินค้าที่บรรทุกมาไปส่งยังจุดหมายปลายทางที่หล่มศักให้เร็วที่สุดจากนั้นก็ได้เปิดโรงแรมนอนพักผ่อนให้เต็มเหยียดสมกับอ่อนล้ามาทั้งวันรถบรรทุกขนาดเล็กวิ่งฝ่าความมืดแล้วก็เลี้ยวลัดไปตามเส้นทางที่คดเคี้ยวสองข้างทางมืดครึ้มเงียบสงัดจนกระทั่งรถไต่ขึ้นเนินเข่าลูกหนึ่งค่อนข้างสูงชัน